ปีพุทธศักราช2 4 8พัรษ 88, พันศาที่หนึ่งจำพันศาที่สำนักสงฆ์ป่าพูนไัยบู์ปัจจุบันคือวัดประชาบำรุงอําเภอเมืองจังหวัดปหาสารคามเมื่ออุปสมบทแล้วในปีพุทธศักราช2488เราก็เที่ยวสืบเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะมาอบรมสั่งสอนจึงได้ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์โคณทมุตตโมซึ่งเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต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 ในยุค ก, กรรมฐานเฟื่องฟูปีพุทธศักราช2470ท่านพระอาจารย์เสากันตศีโลและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้พิจารณาแล้วว่าท่านพระอาจารย์สิงคันตยาคมโมมีความรู้ทางกิตตภาวนาสามารถเป็นขุนพลเอกแห่งกองทัพธรรมนำมูคณะกกรรมฐานได้ท่านพระอาจารย์สิง์มีอุปนิสัยเป็นคนกล้าหาญมีใจเด็ดเดี่ยวมีไหวพริบ ป, ปฏิพานว่องไว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 ไปทุดงอยู่ทางภาคเหนือเมื่อราวปีพุทธศักราช2 4 7พรพระจันทร์สิงห์จัดให้พระฝ่ายกรรมฐานจำนวนหลายรูปที่มีความรู้ทางด้านจิตตภาวนาแยกย้ายกันไปอยู่ตามสำนักจังหวัดต่างๆเพื่อแนะนำสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนในธรรมปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนชาวอีสานให้ละมิจฉาทิฐิ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 สำนักสงฆ์ป่าภูนไพรบู์ปัจจุบันคือวัดประชาบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามหลวงปู่ศรีสมัยครั้งยังเป็นพระใหม่เมื่อได้ทราบข่าวเช่นนั้นก็กระหายใครได้ใครสัมผัสพระกรรมฐานแท้จึงรีบเดินทางไปหาท่านพระอาจารย์คคณธรมุตตโมและได้ปฏิบัติธรรมอยู่จำพรรษาร่วมกับพระอาจารย์โคนธรมุตตโมได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านพระอาจารย์โอบรมสั่งสอน อัตุระในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดคือคันธะทุระการศึกษาเล่าเรียนพระคัมภีให้มีความรู้พระธรรมวินัยดำรงรักษาตำราไว้ไม่ให้เสื่อมสูญจะได้เป็นแบบแจ่ผู้ปฏิบัติวิปัสนาทุระได้แจ่การศึกษาอบรมจิตใจตามหลักสมถะและวิปัสนาเพื่อรู้แจ้งและกำจัดกิเลสออกจากจิตใจทุระทั้งสองนี้พระบรมศาสดา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 มาจากราคะโทสะโมหะถ้าหากใจปุตุชนนั้นพยายามบากบัน่นฝึกเปลือตนให้เดินตามมัคคาสัมมาปฏิบัติพระอรหันต์ก็มาจากที่นั่นกลั่นกรองมาจากที่นั่นเหมือนดอกบัวมาจากขี้ตมขี้โครนเน่าเน่าเหม็นเมนแต่พอพ้นน้ำรับแสงพระอาทิตย์แย้มบานเต็มที่มีสง่าราศีใครก็อยากได้อยากชมหลวงปูส่สีเมื่อได้ฟังธรรม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 ต้องงดการฉันอาหารให้ลดน้อยลงตามธรรมดาฉันวันละ30คําำหรือมากกว่านี้นิดหน่อยเราพยายามลดมันลงลดลงมายี่สิบคำมันก็ยังไม่สงบนักเข้าลดลงฉันวันละสิบคำนั่งสมาธิได้ตลอดคืนยันรุ่งไม่ต้องพลิกขาแม้แต่ครั้งเดียวนั่งผ่านได้สบายๆเมื่อผ่านไปได้แล้วก็จึงค่อยย้อนกลับมาฉันอาหารอย่างปกติเมื่อฉันอย่างปกติ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 ต้องยอมสิโรราบกราบไหว้ในคุณธรรมและความเป็นคนจริงของท่านการปฏิบัติที่สำนักสงฆ์ภูนไพบู์ก็ราบรื่นสมาธิดีแต่ก็ด้วยเหตุว่ายังอยู่ใกล้บ้านเกิดญาติญาติก็มาเยี่ยมเยือนได้ง่ายการถูกรบกวนรบเร้าให้ศึกไปครองชีวิตคารวาดอยู่บา ย, บายการอยู่ในสถานที่เช่นนี้เป็นอุปสรรคต่อสมาธิภาวนาทางเดินเพื่ออริยมรรคอริ ย, รยผลไม่สะดวกจึงคิดว่า ควรจะแอบหนีเดินทุดงไปตามป่าตามเขาไปหาท่านพระจานทร์สิงห์คันตยาคโมสิทธิ์ผู้ใหญ่ของท่านพระจานทร์มั่นภูริศโตที่วัดป่าแสนสําราญจังหวัดอุบลราชธานีศึกษาวัตถปฏิบัติให้ทําแจ ก, กล้าขึ้นไปกว่านี้ถ้ารีบไปหาท่านพระจานทร์มั่นตอนนี้ต้องถูกท่านขับไล่หนีเสียอย่างแน่นอนเพระาะทราบจากพระจานทร์คูนว่าท่านพระจานทร์มั่นไม่รับใครเป็นสานุรสิทธิ์ง่ายๆคนที่ใจเด็ดเดียวเท่านั้น